ขอความสุขความเริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิรารัยสีปทุมกำลังนําเสนออาการขยสูตรือพระสูตรที่ว่าด้วยความหวังของของภิกษุเนื่องจากเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าส่งเรียกภิกษุมาแล้วก็ส่งแสดง แต่ว่าเนื้อหาของธรรมานั้นก็สาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายก็ที่จริงก็ไม่เจออาะจงศาสนานไหนเด็ดสัมไปมาว่าใครต้องการผลอย่างไรก็ต้องสร้างเหตุอย่างหนึ่งแต่เราไปเรียกร้องเฉพาะผลโดยไม่สร้างเหตุผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ คนชีวิตเราที่อยู่ด้วยหวยเบอร์ด้วยการเสี่ยงโชคในลักษณะต่างๆก็ไม่พยายามสร้างเหตุแท้แต่ว่าไปสร้างเหตุเทียมขึ้นในการหลอกลวงตัวเองไปเป็นวันๆในส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ตนมุ่งหวังเพราะผลที่เราต้องการนั้นไม่สอดรับกระเพิ ในที่นี้ส่งแสดงเป็นลำดับไปคือหมายความว่าแสดงผลที่เราต้องการว่าคืออะไรแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำอย่างไงจึงจะบรรลุผลตรงนี้ในแง่ของความเป็นมรรคก็คือนี่เป็นนิโรธกับมรรคหมายความว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังนั้นเป็นเป้าหมายก็เหมือนกับ น, นิโรธ แต่ไม่ได้รอดจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มันก็ต้องสร้างเหตุก็คือมรรคก็ดำเนินไปตามมรรคทีนี้ในกรณีของความหวังบุคคลก็เหมือนกันก็เยอะแยะไปหม ด, ดในทีนี้สมยกตัวอย่างว่าถ้าพุกธสุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนสมรจารีทั้งหลายเถิดดังนี้ความต้องการเยอะนะเด่นขอให้ตนเป็นที่รักสองเป็นที่ชอบใจสามเป็นที่เคารพแล้วก็สี่เป็นผู้ควรยกย่องซึ่งหมายความว่าความรักกับความชอบใจนั้น มันมีได้ในคนทุกระดับหรือคนรูปราวเขาเดียวกันก็ได้คนต่างกันก็ได้แต่ความเคารพมันเป็นเรื่องที่สูงขึง้นหมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ควรแก่การเคารพเขาจึงจะเคารพ ตามปกติแล้วสังคมก็ให้ความสำคัญแก่เขาเรียกวุฒิบุคคลสามประเภทคือชาติวุธคนที่จเจริญโดยชาติโดยชาติกำเนิดชาติสกุลตามคตินิยมของสังคมอย่างในบ้านเราก็คือสถาบันประมากษัตร์เป็นผู้ผู้ที่ควรแก่การขรร แต่สังคมเราก็ยกย่องมางตลอดการยาวนานเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเรานั้นก็เกาะยิงอยู่กับพระมหากษัตริย์ในอดีตพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นําสร้างบ้านแปลงเมืองม า, าพึงมาเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เรารู้กันถึงอย่างนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงเป็นที่กเคารพกระทูลของประชาชนอยู่ ทีนี้ควรยุบย่องสรรเสริญเนี่ยมันจะเป็นเป็นผลที่ซ้อนขึ้นมาหมายความสาถานะของเราเนี่เป็นใครถ้าเราอยู่ในสมาคมที่ควรแก่การยุบย้องสรรเสริญมันก็มีคะแนนคะแนนต้นทุนอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราไปอยู่ในฐานะที่ต่ำต้อย ล้วก็ต้องพัฒนาคุณสมบัติขึ้นมาเป็นคุณอาวุธคือเจริญโดยคุณความดีจนปรากฏโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ด่งดังขึ้นมาคนเหล่า น, นี้ส่วนใหญ่จะมีอายุสูงขึ้นอย่างในช่วงนี้ก็พยายามศึกษาติดตามประวัติของพระเทระ สังคมเชื่อว่าท่านบรรลุมรุผลเป็นกระหันโดยพิสูจน์จากกระดูกท่านเป็นธาตุหลังจากมรณภาพบ้างก่อนมรณภาพบ้างจนฟันของท่านที่หลุดเนี่ยต่อมาก็เป็นพระธาตุหรือว่าผมที่ตัดโหนดที่โกนอะไรต่ออะไรต่เล็บที่ตัดเนี่ยมันก็เป็นพระธาตุท า, ทางที่ชีวิตของท่านยังมีอยู่ อ่านดูแล้วเราอาจกล่าวได้ว่าก็มีเจ้คุณนรรัฐวัฒเทเสิินรูปดียวที่เป็นพวกขุณน้ำขุนน่านอกจากนั้นก็เป็นสามัญชนตานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็ยากไร้แล้วก็ต่อสู้ฟันฝ่ารบ ก, กิเลสมานานบ้าน มากบ้างแต่ก็สรุปว่าท่านก็เป็นระดับผู้บาอาจารย์ที่สังคมยกย่องชื่นชมก็ในสมัยที่อายุท่านมากแล้วก็มีอยู่ไม่กี่รูปหรอกที่อายุไม่สูงคื อ, อยังไม่ถึงสี่สิบนี่ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็เลยสี่ห้าสิบเลย นั้นแสดงว่าการพัฒนาคุณธรรมขึ้นมาจนเพื่นเป็นผู้เจริญโดยคุณบังเรียกมาแคร่ๆอย่างง่ายจ่เราบวชเป็นพระนี่ในแง่ของความเป็นสังคมคือบวชปุ๊บก็ชาวบ้านก็ยกย่องเาษีสมรมอาจารีก็ยอมรับ แต่ ว, ว่าถ้าให้โดดเด่นเป็นที่ปรากฏจริงๆนั้นต้องนานหรือเค า, ร บ, า, า, เเขาขรบในฐา น, าทนะนานานาที่เป็นพระเขาเคารพในฐานะที่เป็นพระเพื่อนสัพพรมจรีก็เคารพในฐานะที่เป็นเพื่อนสัพพรมจารีด้วยกันเคารพในสถานะแล้วก็โดยเพศประการต่อไปคือท่านที่จเจริญโดยไวว คือมีอายุมากอันนี้ก็เป็นคตินิยมที่เรามีกันในส่วนต่างๆของโลกคือตามปกติแล้วเราก็ให้ความเคารพแก่ผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราคนคนอยู่ในไวัยวัยเดียวปูนเดียวกับญาติผู้ใหญ่ของเราคปู่ญาติตายายลุงป้าน้าอนี่เราก็เคารพแต่ว่าจะยกย่อง มันก็ จ, จะลดน้อยลงมาซึ่งก็หมายความว่าแม้เราอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ตามจะต้องสร้างเหตุเพิ่มูขึ้นแล้วก็รักษาคุณสมบัติเหล่านั้นให้โดดเด่นมากยิ่ขึ้นโดยเฉพาะย่่งยิ่งคือสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอย่าง ประธานาธิบดีโมบารักเนี่ยอดวันที่ปฏิญาณสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนมาเป็นล้านๆนีท่านนายเลินเต็มไปหมดเลยคะแนนก็ได้เยอะอะไรก็ได้เยอะแต่อยู่ได้ไม่เท่าไหร่อะตอนนี้คะแนนเริ่มเริ่มลดแล้ว น, นั่นคือเราอยู่ในยุคที่มีสื่อสารโทรคมนาคม มีการเปิดเผยทั้งจุดเด่นที่ควรแก่การเคารพยกย่องแล้วก็จุดด้อยที่ควรแก่การตำหนิต้นกระแสะเหล่านี้จึงกลายเป็นกระแสะขึ้นลงทั้งความรักทั้งความชอบใจทั้งความเคารพทั้งความยกย่องคนจะรักษาสถานะให้ดำรงอยู่นิ่งๆหรือก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆนี่จะยากส่วนมากแล้วก็จะถดถอยลงไป ตามสมควรแก่าการประพฤติของตนเองในขณะนั้นแต่ทีนี้เราไปผูจ้จะาประสงค์แสดงเหตุประํานยังไงลหละจะรักษาสถานะเหล่านี้ให้ยังยืนแกล้ๆจะง่ายในสะี่ข้อตอนนั้นแต่ยากเราสั่งว่าภิกษุนั้นควรทำให้บริบูรณ์ในศีลคือพระเราในถือเรื่องศีลกันมาก เราถือเรื่องสีรสามัญญาตากับทิฏฐิสามัญญาตาแต่เนี่ยทิฏฐิสามัญญาตามันต้องมีการแสดงอะไรออกมาเรามีการพูดมีการกระทำที่แสดงความขัดแยง้งทางนั้นทิฏฐิแต่วินัยเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตคือสีเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตการละเมิดสีในเพื่อนเห็นตรงๆเนี่ยเพื่อนก็รังเกียจเพื่อนก็ไม่รักละ เพื่อนก็ไม่ชอบละพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อนก็ไม่เคารพละการที่เคยสักการะบูชาก็เลิกแล้วมาแรงนะแม้แต่ท่านเหล่านั้นจะเป็นพระผู้ใหญ่แต่ถ้าชัดเจนว่ามีความบกพร่องในเรื่องศีลแล้วก็สุดวมบเลยไปไม่รอดแล้วก็อยู่ไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงอบรมมาว่าพระธรรมในเนี่ยเหมือนกับมาหาสมุทรสิ่งที่ศกระปรกอยู่ในมาหาสมุทรแต่ถูกซัดขึ้นฝั่งก็จะอยู่ในมาหาสมุทรไม่ได้โดยเฉพายิ่งคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนคนที่ละเมิดศีลดนนังแรงนรเนี่ยก็ถือว่าตายแล้ว ราชิบก็คือพ่ายแพ้ไปแล้วประสีเราก็ต้องสำรวมระวังตลอดระจน่าจนแก่เป็นพระเทราที่หนักแน่นมั่นคงคนก็ชื่นชมในศิลาจาระเห็นก็อยากกราบอยากไหวเป็นสิริมงคลขอเพียงเห็นเท่านั้นเองก็ชื่นใจละ นานมาแล้วสมัยหลวงปู่แหวนยังโด่งดังยังมีชีวิตยอยู่นะไม่ใช่ยังโด่งดังเกิแต่ก็ดั ง, ดงานานาเนตะ่ย่ำไมเองไม่เคยไม่เคยเห็นหลวงปู่แหวนก็เพียงแต่ได้ยินชื่อวันหนึ่งได้พบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คุยกันถามว่า <c oughs> เป็นไหนมาก็กบอกไปกล่าวหลวงปู่แวน ถามว่าไปบ่อยไหมท่านบอกว่าไปบ่อยพอมีปัญหาไม่สบายใจหงุดหงิดใจรำคาญใจรุ่มใจขึ้นมาก็ติดตัวเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองแล้วก็ต่อไปเชื่อไหมแต่ไปกราบหลวงปู่ถามว่าได้พูดได้คุยอะไรบ้างไหมก็แค่บอโอกาสได้พูดคุยนี่น้อยเพราะว่าเข้าไม่ถึงโคตรคนเยอะ แต่ท่านเองนี่ต้องการพึงได้กราบขนาดนึนงได้เห็นได้กลาบพอแล้วสบายใจแล้วโปร่งร่มสบายใจแล้วก็กลับอันนี้เราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่หลวงปู่ท่านรักษาสถานะของท่านห น, นักแน่นมั่นคงเสมอต้นเสม อ, สมอปลายอยู่อย่างนั้นไม่มีข้อควรแก่การดาเนิน รักษาศรัทธาของประชาชนไว้ ไ, ได้ประการต่อไปประกอบด้วยธรรมะธรรมะในที่นี้เน้นไปที่ระดับสมาธิหมายความว่าให้เกิดความสงบขึ้นในภายในอย่างน้อยอะไรล่ะอย่างน้อยก็สงบ ความาคาทายาบาลเป็นเมตตาจิตที่สแสดงให้คนอื่นได้สัมผัสความสงบเย็นภายในจิตของท่านแล้วก็ไม่มีการพูดการทำจนถึงการคิดนะฮะที่เป็นการเบียดเบียนประทุษรายบุคคนหนึ่งแล้วก็ไม่ริษยา ไม่เสียใจในเหมือนในหมู่เพื่อนด้วยกันหรือว่าในหมู่กับประชาชนใดเราก็มีได้สยียใจแล้วก็สามารถวางใจมัธยัสเป็นกลางในอารมณ์ทั้งหลายไม่ไปสร้างความรู้สึกพอใจไม่พอใจยินดียินได้แต่เงี้นก็วุ่นทั้งวันไม่ต้องทําอะไรกันมีแต่ยินดียินได้ ห้วจักวางใจเฉยๆกับอารมณ์ทั้งหลายในกรณีที่สัตว์เหล่านั้นเราเห็นสัตว์เหล่านั้นประสบความทุกข์ยากเราก็ตา้ใจเป็นอุเบกขาแต่ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือไมา่อาคติซึ่งเป็นปนัญหาใหญ่ทางโลกนะฮะปัหาใหญ่ทั่วโลกแต่เมื่อไรก็เกิดปัญหาเมื่อนั้น ความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมความยุติธรรมที่ทำไมหโคตไม่เคารพนักสื่อกันมันก็พราเรื่องหอเหนี้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นใครก็ตามที่แสดงความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมออกมาประชาชนก็รังเกียจเดียวกันไม่เคารพนักสือ แล้วก็ไม่ทำให้ไม่ทำฌานในอื่นห่างคือฌานนี่มันเป็นผลมาจากสมาธิเป็นการปฏิบัติที่ต่อ น, นี่แต่มันก็เป็นกุปธรรมนะฮะเสื่อมได้คนพวกที่เจริญอยู่ระดับฌานแล้วไม่ยอมขยับเนี่ยท่านก็ต้องเจริญฌานอยู่ตลอด ออกจากฌานก็เสื่อมก็ต้องเจริญฌานตลอดอย่างแนวพวกฤษีชีไพรเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเจริญฌานแล้วก็ก็ต้องอยู่ในป่าแต่ไม่งั้นอารมณ์มากระแทกกระทันใจท่านก็แกว่ ง, ท, งท่านก็สับสนเมือนก่อนได้อ่นาอนประวัติหลวงพ่อพุทธ ท่าล่าว่าไ่กราบหลวงปู่เทศอาจารย์เทศอาจารย์เทศเรียกข้ามานันนี้ข้ามานันนี้เดี๋ยวจะคุยกันพอขึ้นถึงนี่ท่านบอกว่าชานนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยพอสงบแล้วมันโม่มันนิ่งอยู่เฉยๆไม่ไปไหนนะ แต่่านาในองค์นี้มันพอได้ฌานแล้วมันเปิดสว่างสวยเกิดปัญญาในความสงบเย็นจิตผ่องใสแต่ก็แสดงให้เห็นว่าการทำฌานไม่หืนห่างจากฌานนั้นก็ต้องอย่างน้อยก็บมเพ็ญสมาธิจเจริญฌานอยู่ลย อย่างที่เราตื่นอยู่เนี่ยเราก็เพ่งคุมที่ตัววิตกให้มันเป็นกุศลคุมวิจารณให้มันเป็นกุศลแล้วคุมปิติตัปิตินั้นแน่นอนเป็นกุศลวิตกวิตกวิจารณ์เป็นกุศลพวกนี้ก็เป็นกุศลแล้วใจก็จะได้ความสุขความสงบ ก็จะอยู่ในเรียบทต่างๆก็ได้คุมที่จิตเพราะคํำสงบจริงๆมันหมายถึงสงบจากกิเลสไม่ใช่สงบแบบนั่งตัวแข็งทื่ออยู่ตลอดนั่งตัวแข็งทื่อมันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระคือสงบจากกิเลสกิเลสที่ต้องสงบก็คือนิวรณ์ทั้งห้ประการาถ้าเราสงบจากนิวรณนได้ ได้มันก็ไม่หางเพราะฌานไปว่าเพ่งเราเพ่งอยู่กับผัวกุศลและทครก็คือใช้สติระลึกดึกวิตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลปีติความสุขสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะวิตกวิจารในเรามีตลอดอะแต่ทำยังไงจะบรรเทาควบคุม ทางของวิตกวิจารด้เพราะอะไรเพราะว่าในมิจฉาวิตกอ า, อากุศลวิตกหรือว่ามิชฉาสังกปะมันก็ๆจะคุมง่ายมันจะคุมยากเราจะคุมจิตให้อยู่ด้วยการมองเห็นโทษของวัตถุกรารมและก็กิเลสกาป มองมาทั้งสองอย่างเลยอะไรโผล่ขึ้นมาก็มองมันมองเห็นโทษดดวยกันทั้งสองฝ่ายวัตาทุกามันเป็นทุกข์ศัตรูเลสกามันเป็นสมุทัยศรรัตรก็มีปัญหาทั้งคู่นั่นแหลกะก็ดูมันแล้วก็พยายามที่จะบรรเทาอย่างน้อยก็บรรเทาอย่ามันเกิดรุนแรงเกิดไป ทนที่ความาค่าพยาบาเราจะเห็นว่าสื่อสารหมวนชนก็ถ้าเราดูปกติก็ไม่ค่อยในอ่านหนังสือเวนีู้ตันเล็กเรามันก็แก่ลองอ่านไม่ค่อยไหวเครื่องตาตัวเล็กจะเกิดแต่ว่าที่สาคัญ อ, อย่างยิ่งก็คือว่า คือเราเห็นความรู้สึกรุนแรงที่แสดงความเป็นเราเป็นเขาค่อนข้างมากย่างกลายเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่พราถ้าซือยังเป็นอยู่อย่างนี้มันก็กระตุน้นกระตุ้นการเหนียวหนึบึกนึกเรยียนานาของความอาฆาตพยาบาทและถามเมื่อไหร่จะสงบมันก็สงบยากกัน ทีนี้ความคิดในทำนองเบียดเบียนยิ่งไปใหญ่เลยคิดตะลืบเปิดเปิงกันไปใหญ่แล้ก็พยายามควบคุมคืมคอหมายความถ้าเป็นอกุศลโผล่อะไรขึ้นมาก็พิจารณาหินโทษเข้ามาเป็นอะไรกันเราไม่รู้ว่าตัวอกุศลเหล่านั้นอะไรจะโผล่ขึ้นมาบ้างก็ไม่รู้ทีนี้ประกอบด้วยวิปัสสนา ประกอบเรวิพัษนาก็คือการพยามองสิ่งทั้งหลายอะไรก็ได้ที่เรากำหนดพิจารณาอยู่ในขณะนั้นนั้นให้มองเห็นตามกฎของไตรลักษณ์หรือนิจังทุกขางณนับตาว่าสิ่งนี้มันไม่เทียงเป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ช่วนนี้ดัง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 ในในประวัติหลวงพ่อพูดนั่นแหละอาจารย์พุธนั่นแหละ ก, ก็เล่าถึงโยมอาะคงเป็นน้องของของพ่อเนี่ยคือตั้งฟังเทศไม่ฟังพระเทศก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่ก็มาบ่นในอาจารย์พูดธก็ฟังอาจารย์พูดก็บอกว่า คำ่าพุโทโธนี่ว่าอะไรไหมเอาคำเดียวไม่ต้องเอาทุกคัแกบอกว่าได้แต่ผู้ก็ บ, บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยู่ในริยาบทใดก็ตามนึงถึงพุทโธพุทโุทโธพุทโทพุโทโธไปเรื่อยๆเยลยโยมโคดนันก็เอาไปทำเข้าใจว่าตอนนั้นคงบวชชีแล้ว วันเนึ่งท่านไปหาอาจารย์พุทธิกุตติตั้งแต่ตี4ี่นะตีสี่อาจารย์พุทธท ก, ธทนะทธก็ก็ลุกขึ้นมาเป็นกรรมฐานก็แล้วถามว่าแม่ขึ้นมาทำไมเนี่ยมาไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนนี่พระต้องอาบัตินะเกี่ยวบอกว่าทนไม่ได้มันร้อนไปหมดเลยล้เนี่ยภายในใจนะร้อนฟุ้งพระฟุ้งฟุงฟุ้งซ่านไปหมดเ่ะ แล้วก็ถามมาที่ร้อนเนี่ยมันร้อนจริงหรือว่ามันเย็นแกบอกมันเย็นอาจารย์พลก็บอกว่าปล่อยอย่างนั้นแหละปล่อยมันมันร้อนอยู่อย่างนั้นแหละดูมันไปเรื่อยๆโยมก็บอกว่าก็ถามมาดูหมดแล้วยัง รู้หมดแล้วเข้าใจหมดทุกอย่างเวเนคังเทศอะไรแต่ไรก็เข้าใจหมดทุกอย่างแต่ว่าอธิบายไม่ออกอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ได้ก็คิดจะไปแล้วอาจารพุทธก็บอกว่าไปก็ไปมาต้องขออนุญาตก่อนอนุญาตจะของจะของบทภาวนาก่อนพอดีอาจารพุทธก็มีงานกับมณฑปบรรจุธาตุของ หลวงปู่เสาหลวงปู่แม่นแล้วก็อาจารย์สิงเขาบอกว่าเอาค่อยค่อยไปก่อนให้เสร็จงานก่อนพอเสร็จงานถามวันโยมก็ตายเรียบร้อยอันนี้เราจะเห็นว่าพอบทญาภาวนาก็จริงๆก็ไม่ต้องรุงรังหรอกเอามันข้อเดียวอย่างี่เราเล่าเรื่องประจุรปบนถทกมันก็ข้อเดียว คือตั้งสติระลึกอยู่กับความสงบด้วยบทบริกรรมวาราสุทธิ์รณังรบริสุทรรณังเปลวภาพเบ้่นฝุ่นพ้าเพิ่นุนตอนนี้มันก็เป็นสมาธก็เหงื่อออกแสงแดดมันขึ้นราติีมันสูงขึ้นก็ร้อนก็นั่งอยู่กลางแดดลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าผ้าขาวนี่มันมันดำ ศพกระปุกมันแปดเปื้อ น, นเงื่อนใครตามตามตัวของท่านเนี่ยตามมือของท่านก็พิจารณาความเป็นปฏิคูณก็พิจารณาสุภาพกรรมาฐานหรือกายกตาสติก็แบบกายานุปัสนาสติปัฏฐานเรินนุปัสนาไปเลยไม่รู้มักผลเป็นนานไปเลย แต่ว่าภูมิหลังคือบารมีธรรมของท่านนั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่าการพิจารณาในแนววิปัสสนาเนี่ยที่จริงจะตัดเรื่องวุ่นวายต่างๆเสียได้เยอะเพราะไรเพราะว่าใจจะไม่กำหนดเป็นความสวยงามใจะจะมองถึงสภาวะที่แท้จริง อาจจะดูผมสักอย่างดูคนสักอย่างดูเล็บสักอย่างดูฟันสักอย่างดูหนังสักอย่างดูเนื้อสักอย่างหรือว่าดูมันทั้งหมดน่นแหละทั้งสามสิบสองแบบสตาตยายอาการสามสิบสองแต่ว่าข้อข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่ละอย่างที่จริงมันก็มีเยอะเนะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมีเยอะเลยก็พยายามที่จะเนะี แล้วในที่สุดมันก็ถึงจุดที่มองเห็นว่าเอาก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราอะไรมันก็ศาสตร์ปะวัตาสราตมาว่าชุมกันแล้วถึงจุดหนึ่งก็แตกสลายไปก็กลุ่มขึ้นมาใหม่ด้วยพลังของอวิชา สังขารและก็วิญญาณก็กลายเป็นน้ำมารูปขึ้นมาก็ว่ากันไปที่นีการใช้ชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าพยายามเพิ่มภูณสุญญาคารคือการอยู่ในที่สงบสงบเรือนว่างก็มาสุญญาคารคือที่ว่างปราศจากรูปเสียงเป็นใหญ่นะฮะรูปเสียงนี่เป็นใหญ่ ไอกลิ่นรสเองคงมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกสัมผัสก็ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ารูปกัเสียงเนี่ยมันจะเป็นขั้นสุกพอพอเห็นรูปแล้วใจก็เคลิ้ตล่ะตอนเสียงนี่ใจก็เคลิล่ะแต่ว่ากลิ่นรสเนี่ยมันมันต้องสัมผัสลไดย แต่การอยู่ในสถานที่เหล่านั้นไม่ก็ไ ม, ม่ไม่มีโอกาสสัมผัสกานตอนที่ต้องป้องกันมากก็คือต้องป้องกันสองอย่างคือรู ป, ปรเสียงก็เป็นการจัดสภาพเวดล้อมให้เกื้อคูณต่อการทาความสงบทำจิตใจให้สงบแต่ว่าต่อนเนื่องไม่ก็ต้องต่อนเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่ท่านมุ่งหวังเนี่ย ขอเราพึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนปรมจารีทั้งหลายเถิดต้องการทั้งอะไรสี่อย่างเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่จอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ควรยกย่องบุชาก็ถามว่าเราต้องเป็นฐานเป็นที่ตั้ง ความเป็นผู้ควรเคารพเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักจอเป็นที่ยกจ้องชื่นชมของบุคคลทัหลายเราก็จริงเราทำเองทั้งนั้นเนี่ยนจะเป็นที่รักก็เพราะการกระทําของเราเป็นที่เกลียดจังเขาคนอื่นก็เพราะการกระทําของเราแต่ทีนี้เรามองไปไปหาคนอื่น จะแก้ไขกับคนเด็แล้วเราเราก็แก้ไขไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาแต่ว่าเราก็อยู่ในแวดวงของคนที่หลงตัวเองดยกอ่ขกดใจว่าตัวเองมีความสำคัญดีดังเด่นสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่ไม่รู้ว่า เรื่องเป็นนันมากเราทำไม่ได้เราไปทำเองไม่ได้มันจะต้องมีปัจจัยเงื่อนไขต่างๆเป็นองค์ประกอบเข้ามาแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเวลาการเวลาช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหานี้มันต้องห่างกันห่างกับการเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาความคิดทางอารมณ์ทางสังคมเนี่ย เราไม่รู้ว่าใครคิดอย่างไงเจวันกอดีิวัตเนยก็ไม่ได้ออกไปดูรถแต่ ไ, ได้ยินเสียงปรากฏว่ามีทหารเข้ามาดูจะบวดนาคนะบวชนาคล้วก็ผู้ญาติโยมโห่ไล่ผู้ฆ่าคนตาย ว่ยุ่งกันใหญ่ผู้นำ ท, ะทะหารก็ต้องออกไปบอกว่าผมมาทำบุญครับผมมาบวชหน้าครับอธิบายญาติโยมก็แ่งอันนี้ก็แสดงว่าความรู้สึกเกลียดแล้วเราจะไปเรียกความรักความชอบใจความเคารพการยกย่องเนี่ยมันมันยากรออารมณ์มันอย่างนี้ ก็ต้องมีอุบายวิธีอาขาดอุบายวิธีที่ชอบแล้วมันก็เือนกับกเรียกอะไรกระตุกหนวดเสือขึ้นนะหรือว่าไปเอาน้ำมันไปราดในกองเพลึงก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้ข้อต่อไปก็ถ้าหวังว่าให้ตัวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งสี ถ้าคิดอย่างนั้นเรา่าลืมว่าการคารวะสักการบูชาของชาวบ้านชาวบ้านจะต้องรู้สึกดีมากๆนะฮะจึงจึงจะทมให้พระรูปนั้นอุดมด้วยจะตัุปัจจัยทั้งสีได้ก็รับสั่งว่าภิกษุรูปนั้นควรกระทาให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยทำเครื่องสงบทางจิต อันเป็นไปในภายในไม่ทําชาในหืนหานประกอบด้วยปริพัฒนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญากาศอะละเหตุเดิมนะเหตุเดิมไม่ใช่คือผลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวเหตุที่จะนำไปสู่ผลนั้นเหมือนเดิมคือว่าจะต้องประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องสงบอยู่ข้างใน หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดนี่ใจมันคิดตึกนึกอยู่ด้วยกุศลธรรมอ ย, อย่าคิดอย่าคิดที่มันตรงกันข้ามากระเพรแด่งไยแห่งอันตรายทั้งหลายแล้วดูตัวอย่างง่ายๆว่าวถ้าในเวทโบงม่ชาบานเนี่ยคิดเมตตาซึ่งกันและกันเราก็ครอบคุมทั้งคนทั้งสัตว์ไว้ทั้งหมดแล้วก็ทั้งทรัพย์ ทั้งหลายด้วยคำคำเดียวนะฮะคิดด้วยเมตตาซึ่งกันและกันเพราะถ้าเราคิดด้วยเมตตาได้เราก็ทำโดยเมตตาได้เราก็พูดโดยเมตตาได้กานเลี้ยชีพของเราไม่มีปัญหาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนแล้วก็เคารพสิทธิในคู่ครองของกันเล่กันยนมีความสํารวมระหวังในทางการ เละเป็นคนดำรงอยู่ในสัจจะพูดจริงทาจริงไม่ว่าตอหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งไอ้นี่ไม่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีสติพูดยังมีสติคิดยังมีสติทอยางมีสติเอาห้าอย่างแต่จริงอย่างเดียวนะฮะอย่างเดียวก็พอแล้วอย่างอื่นก็จะเกิดติดตามมาเองตรงนี้ก็ทาให้สงบจักกันเละ จากความโลภความโกรธความหลงแ น, น่อนก็คือสงบจากนีว้วะถ้าฟังลองสังเกตว่าอริยมรรคนั้นมันเป็นก็เรียกว่ายาเอเนกปรปสมแกได้สารพัดอะสารพัดโรค ก, กิเลสกิเลสชื่อเท่าไหร่ก็ช่างมันนะแต่ถ้าวิถีชีวิตเราอยู่ที่อริยมรรคใน8ประการมันเป็นกรอก ปุ้งครองแล้วก็ปกป้องตลอดถึงบำบัดบำรงรักษาจิตใจของเร า, เาไว้ได้ตลอดทีนี้ก็จเจริญฌานเจริญสมาธิไปก็ทำจิตใ้สงบจากนิวรแล้วก็สถานที่อยู่ในแน่นอนต้องเกิดคุณ ตรงเกื้อกูลที่นำไปสู่ความสงบมันก็เหมือนกับหลักอะไรวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวารถปฏิโบกคือในหัวข้อหัวข้อสุดท้ายเนี่ยอนุปวาวโดนุปคาโตคือสำหรับกับบุคคลทั้งหลายจะต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลอื่นให้ดีคือเราอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลาย เขาจะกล่าวร้ายก็จะทำลายก็คือเรื่องเขาแต่เราไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายแล้วก็สํารวมระวังในประภาติมโมก็คือเรื่องศีลเรามาดระวังในเรื่องศีลแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคพัดฐานยินดีในที่นั่งที่นอนอสังหาอันนี้คือสุญญานิันตัญจสยนาสนัญญ จยต่ดีในที่นั่งที่นอ น, นสงัดแล้วก็อธิจิตเตะอยโภประกอบความเียนโดยความอื้อเฟื้อในอธิจิตนี่ก็คือหลักการเจริจชาิก็เป็นหลักของนิโรธที่เป็นนิโรธที่เป็นเป้าแล้วก็มัดที่จะเป็นหลักการวิธีการ จนถึงปฏิบัติการนำไปสู่ผลตามที่เราต้องการแน่นอนก็ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อการไหลมาเทมาของปัจจัยลาภเพราะพวกนี้มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยมากเกินไปก็ลำบากนะอย่างที่กานาในช่วงบวดพระเนี่ยวดหน้าเนี่ย คือตามปกติแล้วก็ฉันอาหารสองสามอย่างนั้นนั่นเองแต่พอวันบทหน้างิยมก็มาอยู่เต็มเลยน้ากุศลต่างคนต่างเอาของมาถวายเต็มโต๊ะเลยเราก็ไม่รู้จะฉันยังไงก็ฉันเท้าที่ฉันอันนี้ก็เราจะเห็นว่าถ้าปัจจัยลาบถ้ามันมาก ยังในปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ค่อยแปลกอทไรมากขึ้นมาก็เอาไปช่วยปักไร้บ้างเอาไปช่วยที่ไหนต่อที่ไหนต่างๆมันเยอะปัญหาที่จะต้องช่วยเหลือนี่มันเยอะก็ได้อะไรมาเห็นเป็นขนาดใส่ขันรถได้ก็นำไปแจกในที่ต่างๆแต่ว่านานนะฮะเรื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นเราจากเป็นเทศการสาคัญสำคัญปีหนึ่งสักสามสี่ครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่าให้ถึงกะขาดแกรขาดแปรบ้านนิดหน่อยก็ดีรู้จักปรับตัวเองให้อยู่ให้ได้เพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ในเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ามากเรานึกดูว่าผ้านุ่งพระห่มเนี่ยสามผืน พนุ่งืนหนึ่งพระห่์ผืนหนึ่งสังกติผืนน่ในการเดิมาก็มีพวกปราคฏอะไรแต่ไรเนีน่ยประคตพวกอังสะพวกอะไรแต่ว่าพอสถานการณ์ของสก ม, มันเปลี่ยนคือคนที่ต้องการทำบุญเนี่ยมันเยอะแต่ว่าผู้ที่จะรับสนองเจตนารมของท่านเหล่านั้นมันมีน้อย ตอนก็เพื่อให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระเอาปัจจัยที่เหลือเฟือเรียกว่าอจิเรกระลาบหรือ ป, ปัจจัยที่เหลือเฟือก็ไปแจกจาก่ายแก่คนที่ขาดแคลนก็เป็นการเพิ่มบุญให้แก่ทายกีกตอน น, นีในขณะเดียวกันทายกเขาก็ได้ทำบุญก็เป็นกระจายการกระจายปัจจัยสี่แพร่หลายออกไป อย่างกิวอนเนี่ยนะกีวอนในปัจจุบันคล้ายๆจะมีมากแต่ว่าที่พระหมจริงๆเนี่ยบางผืนเนี่ยตั้งสิบปียังไม่ขาดเลยแเก็บไปเสร็จแล้วก็บริจาคงานศพก็เยอะงานบวชหน้าก็เยอะบางคนที่ต้องการสมรรหเนี่ยังมีเยอะปั้งใจฟังพระต้องคิดไว้ก่อน แ็ถ้าได้มาแล้วก็ตั้งใจจ่ายกันไปไมายาอมัสสสสมเพราะว่าไม่รู้สะสมไม่ทำอะไรเหมือนกันนะครับอย่างกีวอนมากมันก็โรคปุติแล้วก็ยามันก็เสื่อมคุณภาพอาหารมันก็อยู่ได้ระยะสันส้นๆก็ต้องลงว่า การจะได้สิ่งดีงามมาพูดง่ายว่าจะได้สิ่งดีงามมาตัวเองจะมีพลังจะต้องมีพลังในการดึงดูดสิ่งดีงามเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองถึงแม้มันจะมากองแต่ก็กระจายคือหยาบยมันกระจุกอยู่พยายามกระจายไปช่วยในที่ต่างๆ เว็นนี้กิจกรรมแบบนี้มีการกระทํากันแทร่หลายมีการเชิญชวนเชิญชวนกันแทร่หลายเพียงแต่ว่าเราก็ไม่มีกําลังอะไรพอที่จะไปทําไปช่วยเหลืออย่งงาง น, นั้นเท่านั้นเองสรุปว่าก็ต้องมีมันก็ทําได้ลตลอดทำไปทุกวันเลยทําไปเนี่ยในจังหวัดภาคใต้เนี่ยเอาก็ไปเขาก็มาก็ต้องไปช่วยทหารตำรวจเขาด้วยไปช่วยประชาชนด้วย ่ที่จะเป็นช่วยเฉพาะพระภิกษุแต่ปเด็นก็ช่วยกันไปตลอดเพราะว่าปัญหามันไม่ได้สานลงไม่ได้ลดลงนี่ก็เป็นหลักการสาคัญว่าเราจะประเด็นได้เลยว่าถ้าเราต้องการผลที่ดีนั้นจะต้องสางเหตุที่ดีเหมือนก็เราต้องการผลมะม่วงเนี่ยต้องปลูกมะม่วงนั่นเอง